ให้บุญให้ดวงวิญญาณที่รักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้แล้วก็อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ให้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกชั้นทุกภูมิทั้งทที่ผู้ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลสถานที่ และก็อาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ผู้ใดต้องการบุญก็ให้มาอันโมทนาบุญให้ยินดีรับเอาบุญเนี่ยนี่หละที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกสถานที่ต่างๆที่เร า, เาตั้งใจมาในสราวนี้ว่าสังเวชมียะสถานหมายความว่าให้เราเนี่ยมีจิตใจสังเวช คำว่าสังเวชเนี่ยไม่ได้โศกหดหูนะไม่ได้เสียใจนะหมายความว่ากระตุ้นเตือนจิตใจฝุกเล้าจิตใจเนี่ยให้รู้จักลงว่าเออนี่นะธรรมชาติเนี่ยนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละเนี่ยทุกแห่งแม้แต่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบรรุธรรมตัสรู้ธรรมเรื่อยมาเรื่อยเนี่ยจนมาถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ บำเพ็ญพุทธกิจเนี่ยด้วยพระเมตตาปราถนาช่วยโลกเป็นกำลังสติปัญญาความสามารถสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือเมื่อเช้าเราจะคือซึ่งเคยรุ่งเรืองนะ่ได้ยินว่าเออตั้งส18ิบแปดโกดินร้อยแปดสิบล้านผู้คนตอนนี้มีแต่ป่ามีแต่เขาไม่แต่สถ า, านที่ที่เราเห็นก็ต้องขุดค้นแล้วก็พบขึ้นมาทาให้เราได้มา ศึกษามาเรียนรู้ว่าเออครั้งพุทธเจ้ามีจริงจงกนกระทั่งมาถึงมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นมหาวิทยาลัยนารันทาที่มีพระทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็นักศึกษามาศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมีชื่อเสียงทั่วโลก <c oughs> ระดับโลกสุดท้ายก็เหลือแต่ซ่าเราก็มีโอกาสได้โปรงแล้วก็น้อมเข้ามา ถึงตัวเราก็เหมือนกันะสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับสลายไปไอ้อย่างนี้ท่านเรียกว่ามาปรงสังเวททำมาสังเวทแต่ว่าไม่ได้หมายก็ว่าให้ใจเราหดหู่นะตรงกันข้ามทำให้ใจิตใจเราเข้มแข็งทำให้จิตใจเรากล้าหาญกล้าที่จะประเชิญกับความจริงเอาความจริงเนี่ยมาสอนจิตใจของเราให้ได้การมาของเราเนี่ยก็คือมาเพื่อมา ปรงธรรมสังเวทําให้เกิดความคิดมีสติเตือนติดเตือนใจของเราว่าเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเนี่ยโดยสรีระสุดท้ายก็ต้องแตกดับสลายไปเหมือนกันโดยภายในใ จ, ใจิตใจอารมณ์ทั้งหลายที่มันก่อเกิดขึ้นมันก็ต้องควนแปลเปลี่ยนแปล ง, ปลปลงดับไปเหมือนกันไม่ว่าสุขหรือทุกข์ไม่ว่าเรื่องราวต่างๆ เป็นอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดกับจิตใจของเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยในครั้งหนึ่งอ่าในในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ภาษารีบุตรเนี่ยไปลาพระพุทธเจ้าขอขอจะมาไปนิพพานเนี่ยที่บ้านเกิดเนี่ยตั้งใจจะมาโปรดพระมารดาของพระองค์ด้วยก็เลยเป็นลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางมาตามลําพัง พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพี่ชายของเธอเนี่ยขงพวกเธอจะไปปริญญานันแล้วให้ไปส่ง ก, ก็เดินมาส่งกันเสร็จแล้วพระ อ, อ น, นุนเนี่ยก็ก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากอะไรอาวอรภาษารีบุตรมากพระพุทธเจ้าก็เลยปลอบโยนพระอา น, นุ์ดูก่อน อ, อ น, นุนเนี่ยนารีบุตรเนี่ยเอาเอาศีลขันเอาสมาธิขันเอาปัญญาขัน เอาวิมุตติขันเอาวิมุตติยานทัศนขันไปด้วยเหรอเธอจริงต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับการที่ภาษาลีบุตรเนี่ยอยไปปริยทธานพระอนุนก็ตอบด้วยอาการยังเศ้าส้อยอยู่ว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญภาษาลีบุตรไม่ได้เอาศีลขันไม่ได้เอาสมาธิขันไม่ได้เอาปัญญาขันไม่ได้เอาวิมุตติขัน ไม่ได้เอาวิมุตติยามทัศนาคันไปด้วยเลยแต่ข้าพระองค์ล้ำลึกถึงอุปการะคุณที่ภาษาลีบุตรที่มีต่อพวกข้าพระเจ้าในสมัยที่ท่านยังอยู่ท่านก็ช่วยอบรมสั่งสอนช่วยแนะนำก็เลยทำให้เมื่อระลึกถึงเหตุการณ์หรือประโยชน์ที่ภาษาลีบุตร ท, ทากับพวกเราแล้วเนี่ยก็อดเศร้าโศกเสียใจไม่ได้ เขาเจ้าก็สอนต่อไปนะดูก่อนอานนท์การที่เราจะไปห้ามสิ่งที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยว่าอย่าได้เสื่อมไปอย่าได้สิ้นไปอย่าได้สลายไปละ่ะไปนะ่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่หรือสารีบุตรก็เหมือนกันนี่แหละแตการที่จะมาลำพึงลำพันเศร้าโศกเสียใจกับการพัดพลาดไปของสารีบุตรเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า สิ่งใดที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันต้องเสื่อมสิ่อสีายไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดามี ว, วัตาของพระพุทธเจ้าที่ตอกโจ้กับพระอ น, นุนแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนต่อไปอีกนะก็เหมือนกับไม้นี่แหละ่ันวาไม้นี่แหล ะ, ะไม้แก่นเนี่ยส่วนไหนที่มันมันแข็งแรงเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ส่วนไหนที่มันอ่อนที่มัน ที่มันอ่อนแล้วก็มันแก่ลงไปซุดโทมลงไปมันก็เสื่อมสลายไปหมดไปเหมือนกันเช่นเดียวกันกันกบสาวกของเรานี่แหละเนี่ยผู้ที่มีธรรมเป็นแก่นสารที่ยังยังมีกำลังอยู่ก็มีส่วนไหนที่สุดโทมเก่าแก่ค่ำค่าแล้วก็ต้องแตกดับสลายไปฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าน้อมเข้ามาให้ให้ให้ให เราลืกถึงแต่ความจริงนะสังเกตดูพระเจ้าพูดเนี่ยมีแต่เหตุผลมีแต่ความจริงนะคัดค้านไม่ได้เลยโต้แย้งไม่ได้เลยทุกอย่างที่เปล่งวาจาออกมาพูดให้ฟังเนี่ยก็เพื่อให้จิตใจเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยมันยอมรับความจริงให้ได้ถ้ายอมเลืรับความจริงไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อ่ะคือคือเราก็ยอมรับแหละนะว่าเออจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งจิตใจที่กําลังสติปัญญาเนี่ย มันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ไม่ถึงนะมันยังเข้าไม่ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็จะต้องอดอดเศร้าโศกเสียใจไปไม่ได้กับการพลากพลาดจากไปของคนที่ใกล้ชิดของคนที่สนิทสนมนะของคนที่เรามีความผูกพันเนี่ยแม้แต่พระอานนท์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วนะก็ยังรู้สึกอาลัยอาวร์เศร้าโศกเสียใจ ถึงภาษาลีบุตรเหมือนกันแต่ทีนีนะ้เราก็ต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาให้แก่จิตใจของเราการที่จิตใจของเราจะเข้มแข็งเนี่ยต้องมีสตินะเป็นหลักมีสติเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่สุดก็คือต้องเจริญสติเพราะตัวสติตัวเนี้ยมันจะต้องมาควบคุมจิตใจของเราอย่างขณะนี้เราก็กำลังมีสติอยู่รู้ตัว เมื่อไหร่ก็สติก็มีเกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้ามันไม่รู้ตัวคือจิตเราลอยไปเราเผลอไปอย่างเนี้สถานการณ์นั้นก็ขาดสติแล้วเพราะนั้นเราจะต้องพยายามให้รู้ตัวอยู่เรื่อยให้สติมีควบคุมจิตเราเอาไว้เมื่อควบคุมจิตเราได้จิตของเราก็จะอยู่กับตัวเราพอจิตอยู่กับตัวเราเนี่ยมันก็เรียกถ้าอยู่กับตัวเราได้นานขึ้นนานขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เพราะสมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู่กับตัวเราไปนานขึ้นหรือสมาธิคือการที่จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานๆเนี่ยนานน า, น, น, า น, นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งจิตนี้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวถ้าหากว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเมื่อไหร่อันนั้นละ่ะคือถึงเป้าหมายของการทำสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานเพราะนั้นสมาธากรรมฐานเนี่ย ก็คือจิตต้องมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวจะอยู่กับอารมณ์ใดก็ตามแต่ว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนั้นจดจ่ออยู่ตรงนั้นรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ตามแต่ว่าจิตต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเป็นเวลานานๆเมื่อสติมันควบคุมจิตเอาไว้ได้เนี่ยจิตที่เคยไหลไปไหลไปเนี่ยมันก็หยุดเนี่ยสังขารที่มันมาปรุงแต่งจิตมันก็ระงับยับยั้งไปเรามายังสถานที่นี้ เราก็อาศัยสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเรารู้ว่าอ๋อพระพุทธศาสนาที่เราเคารพนับถื อ, อเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองเคยมีอิทธิพลต่อจิตใจอของชาวของประชาชนซึ่งอยู่บริเวณนี้ยามใดที่เขามีพระพุทธศาสนาเป็นที่อึ่งยามนั้นเขาจะพบกับความเจริญรุ่งเรือง พบกับความดีความงามจิตใจมีที่พึ่งจิตใจมีที่ยิบเหนี่ยวความทุกข์น้อยลงไปเบาบางลงไปในเมื่อจิตใจมันดีขึ้นมาการกระทําคําพูดความคิดอะไรเนี่ยมันก็ออกมาในทางที่ดีที่งามมันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถ้าหาวัดที่ใดก็ตามนะมันมีแต่พวกมิจฉาชีพมันมีแต่การคอร์รัปชันมีแต่การคดโกงกันคนไม่มีศีลไม่มีธรรม อันนั้นเสื่อมมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆเนะพราะฉะนั้นการการที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้ว่าตอกตอไปเนี่ยคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆศีลธรรมเสื่อมลงไปเรื่อยๆจนทั่งไปถึงยุคหนึ่งเนี่ยแค่คิดแค่คิดจะฆ่ากันเนี่ยจับยาขึ้นมาแทงใส่กันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดาบเป็นมีดนะทาให้เสียชีวิตได้เนี่ยขนาดนั้นนะอกุศชนภายในจิตเนี่ยมันมีพลังมาก จนกระทั่งสามารถทําให้หญ้าหรือต้นไม้อ่อนๆอะไรเนี่ยกลายเป็นมีดกลายเป็นดาบสามารถฆ่ากันตายได้เนี่ยนี่แหละอกุศลเนี่ยมันจึงสามารถทําให้โลกเนี่ยมันเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าหากว่าที่ใดก็ตามถ้าหากว่ามีการประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ แล้วปฏิบัติจนผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่ยที่นั่นก็จะมีความเจริญอย่างดูเราเองก็ได้ถ้าหากว่าเรามีสติสํารวมจิตใจเรารวบรวมกําลังจิตใจของเราพอจิตใจเนี่ยอยู่กับตัวเราได้เราควบคุมจิตใจเราได้เนี่ยเราจะสามารถรักษาจิตเราให้เป็นปกติได้รักษาจิตให้เป็นปกติได้เนี่ยก็เรียกว่าศีลก็ได้เพราะศีลเนี่ย เป้าหมายของการมีศีลก็เพื่อทําจิตเราให้เป็นปกติเนี่ยใจเราเป็นปกติเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันต้องเข้าไปถึงใจเข้าไปอยู่ในใจนถ้าหากว่าเรารักษาใจให้เป็นปกติเรื่อยๆเนี่ยเวลาจิตมันคิดเป็นที่ปกติขึ้นมามันจะรู้ทันพอรู้ทันมันก็จะยับยัง้งเนี่ยมีความยับยั้งชั่งใจเนี่ ย, ยการที่มีศีลเนี่ยมันก็ทําให้จิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นก็ทําให้ รักษาใจเป็นปกติได้รักษาศีลได้ศีลก็เกื้อนหนุนสมาธิสมาธิก็เกื้อนหนุนศีลได้เพราะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจรึงสื่อเข้ามาในเรื่องของจิตใจถ้าหาว่าจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพอจิตของเรามั น, ม, นมันเป็นปกติเนี่ยมันนิ่งแล้วก็สติมั่นคงใจตั้งมั่นพลังของใจมันจะเกิดขึ้น ใจมีความเข้มแข็งมันไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆมันมาทางตาเนี่ยมันก็ไม่ไหลไปมาทางหูมันก็ไม่ไหลไปอย่างขณะที่เราเดินทาง อ, ะอ่ะเราก็ดูนู่นดูนีอ่อันนี้เป็นธรรมดาเพราะว่าเราผ่านไปถ้าหาว่าเราสํารวมอยู่เราก็สังเกตใจเราไปด้วยดูไปด้วยกับอีกอย่างหนึง่งเราเข้ามาดูใจเราเลยคือเราตามีแต่ว่าเราไม่สนใจ เข้ามาสังเกตใจไว้เหมือนขนาดนี้เราเข้ามาสังเกตจิตใจไว้อันนี้เรียกว่าเข้ามาอยู่กับภายในเข้ามาอยู่ในภายในเอาจิตเราเข้ามาอยู่กับตัวเราอันนี้เพื่อให้มันมีสติของเรามีกําลังสมาธิมีกําลังใจมีความละเอียดลึกซึ้งเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับใจเราเกี่ยวกับกายของเราพอจิตของเราเนี่ย มันมาอยู่กับตัวเราได้มันก็จะสามารถรู้รู้อ๋อร่างกายมันก็อยู่ของมันเนี่ยจิตใจเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งก็อยู่ของมันเนี่ยเนี่ยมันมาดูกายมาดูใจของเราถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยไอๆไอความเข้าใจมันค่อยๆสะสมค่อยๆเกิดขึ้นรู้ว่าอ๋อพวกนี้เป็นเหมือนธรรมชาติเลยหรือมันเป็นเห็นเห็นว่าเป็นธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยขณะนั้นมันก็สะสมปัญญาละสะสมความจริงว่าอ๋อ ร่างกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งจิตใจก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งระบบของร่างกายเนี่ยมันก็ทำงานได้โดยอัตโนมัติระบบของจิตใจมันก็ทำงานได้โดยอัตโนมัติเนี่ยแต่ระบบของร่างกายมันมันมีความซับซ้อนนะระดับหนึ่งนะคือมันมันมันมีผลต่อจิตใจเราไม่มากนะแต่ไอ้ตัวจิตใจเองเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากมันมีเรื่องราวมาก บางทีบางทีมันไม่สนใจร่างกายแต่ว่ามันมีเรื่องราวอยู่ในจิตใจเองก็มีมันปรุงแต่งขึ้นมาได้เองนึกคิดขึ้นมาได้เองเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหมือนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในจิตใจเราก็มีเนี่ยสังเกต ด, ดูเวลาเวลาที่มันมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งบา ง, ข, งข่าวมันจริงเหมือนเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารทําให้เราเป็นทุกข์ได้ทําให้เราเดือดร้อนใจได้ทําให้เราเนี่ยต้องทําไปตามอํานาจของมันได้ พอทำไปแล้วบางทีมันก็สร้างปัญหาให้กับเรานำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราหรือว่าทำไปแล้วเราคิดว่าก่อนจะทำเป็นเรื่องใหญ่โตมีความสำคัญมากมายแต่พอทาไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีความสาคัญอะไรเลยบางทีคิดขึ้นมามันไม่น่าทำเลยไม่น่าเป็นไปได้อย่างนั้นเลยนี่แหละคือเรายังสู้กำลังแห่งความหลงผิดภายในจิตใจเราไม่ได้ เราก็ต้องยอมแพ้มันต้องไหลไปตามมันทีนี้อาศัยวิธีของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งสติขึ้นมาควบคุมจิตใจของเราเนี่ยเข้ามาสังเกตการสังเกตของเราการดูดูอยู่ภายในเนี่ยมันก็เพิ่มกาลังของสติขึ้นมาเรื่อยๆแต่บางทีเนี่ยการสังเกตเฉยๆเนี่ยกาลังกำลังมันมันน้อยหรือว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยลึกซึ้งมันไม่ค่อยหนักแน่นบางทีก็ต้องนึก ช่วยนียอย่างพระเจ้าก็สอนว่าเออถ้าหาว่าใครนะทำความรู้สึกว่าไอ้ร่างกายของเรามันก็น่าเบื่อหน่ายนะดูที่มันต้องเป็นภาล่ะตื่นเช้าขึ้นมาต้องรับผิดชอบมันแล้วต้องหาข้าวปลาอาหารให้มันแล้วเนี่ยต้องพามันไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมพามันไปนู่นไปนี่นีคือถ้าจิตแยกออกมาได้เนี่ยมันจะรู้ว่าไอ้ไอ้ร่างกายเป็นภาร่ะแก่จิตใจจริงๆเนี่ย ถ้าหาว่ามาเห็นว่าเออร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่ามันเป็นของน่าเบื่อห น, น่ายเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันค่อยๆปล่อยวางร่างกายอ่ะมันไม่ค่อยยึดร่างกายไม่ค่อยหวงแหนร่างกายมันไม่ค่อยไปลุ่มหลงกับร่างกายไม่ค่อยไปบง่งรุงบรรเลงปนเปื้ร่างกายมากเกินเกินไปคือคิดแต่ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ทําการทํางานใช้ประโยชน์ในการโดยเฉพาะเอามาประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ชีวิตของเรามันเจริญขึ้นให้จิตใจของเราเจริญขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะทําให้จิตใจของเราหนักแน่นขึ้นจนทั่งจิตเราตั้งมั่นแล้วมันจิงจะมารู้ว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเลยนะหรือท่านก็สอนไปอีกว่าแม้แต่อาหารเนี่ยที่เรารับประทานอาหารเนี่ยท่านก็ให้พิจารณาทําความเข้าใจว่ามันเป็นปฏิกูลนะเรารับประทานเพื่อประโยชน์นะไม่ใช่ไปหลงเสพมันนะมันอร่อยก็ไม่เป็นไร เพราะจะให้มันมีประโยชน์ก็แล้วกันให้เรารู้ถึงประโยชน์ของมันว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ดำรงอยู่ได้แล้วก็สามารถใช้ร่างกายเนี่ยให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้นะเรียกว่าเห็นร่างกายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลก็ได้เป็นธาตุมาหล่อเลี้ยงร่างกายเราก็ได้เห็นคุณเห็นประโยชน์ของอาหารก็ได้โดยที่เราไม่ไปหลงเศษในรสอร่อยไม่ไปหลงหลงรสชาติของมันเนี่ย จะเอามาบํารุงบําเพลยร่างกายของเราเน่ยให้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราหมั่นที่นาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนที่ว่ามันมันเป็นทางที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อความเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เ่ยเป็นไปเพื่อความที่ไม่หลงยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาแล้วท่านก็ให้เห็นว่าโลกเราเนี่ยโอ้โหมันไม่น่ายินดีเลยอะดูที่เราไปทางไหนอ ในในประเทศเราก็เหมือนกันมาต่างประเทศก็เหมือนกันโดยเฉพาะในอินเดียเราก็เห็นโาพูดเดี๋ยวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็ขอนั่นขอนี้เดี๋ยวก็ถกเถียงกันไปมาเดี๋ยวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราก็เฝ้าดูเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นในธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้แต่ในธรรมชาติของประเทศเราก็เป็นอีกอย่างถ้าเขาไปเขาก็ดูเราเหมือนกันว่าเออเราอยู่กันอย่างนี้นะพวกนี้อยู่กันอย่างนี้นะเนี่ยคือดูแล้วโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละ มันก็ดูเหมือนว่ามันมีเรื่องมีราวมีอะไรต่ออะไรมากมายที่จริงมันก็ออกมาจากจิตของแต่ละคนจิตของแต่ละคนที่มันดิ่นหลนน่ะที่มันดิ่งหลนที่มันทับสายที่มันจะเอานู่นเอานี่ที่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันไหลไปกับอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับทุกคนน่ะกำลังวิ่งตามอารมณ์อยู่อ่ะอารมณ์เหล่านั้นกับจิตนี่แหละมันปรุงแต่งขึ้นมามันสร้างขึ้นมาแล้วหลงยึดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็ต้องตามตามมันมันอยากดูกับพาไปดูเนี่ย มันอยากได้ยินกับพามันไปได้ยินได้ฟังมันอยากเห็นกับพานไปดูมันอยากได้ยินกับพานไปดูนะอยากได้กล like ิ่นกับพามันไปสูตรไปดมเนี่ยอยากลิ้มรสอะไรอย่างนี้เราก็ไปรับประทานเข้าไปเนี่ยมันมันก็เลยเหมือนกับว่าโลกของเราเนี่ยมันมันไม่น่ายินดีถ้าหากว่าเราเราเอามาพิจารณาทําให้จิตเราเบื่อหน่ายจิตเราคลายความหลงยึดมั่นถือมั่นคลายกําหนัดความ ทายความลุ่มหลงไปมันก็เบาลงไปบางทีจิตเรามันก็แนบแน่นขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นทางที่จะทําให้จิตใจเราสงบจิตใจเราตั้งมั่นหรือว่าท่านให้ที่นายเห็นว่าสังขารในโลกเนี้ยมันก็มีแต่ปวนแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสิ้นสลายไปอย่างเรามาในสถานที่แห่งนี้โอ้โหเคยจเจริญรุ่งเรืองเป็นหมหาวิทยาลัยใหญ่โตนีมีห้องขับ สแสดงถึงความเจริญเก้านาะทางสติทางปัญญาทางความสามารถหรือนี่ก็เหลือแต่ซาเนะนะีหรือว่าแม่ภาษาลีบุตรนะ่ยซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันเป็นอักขส า, าวกเบื้องขวามีสติปัญญามากมีอุปกรารลกคุณต่อพระศาสนามากนะท่านภาษาลีบุตรนี่ท่านจะชอบสงเคราะห์นำคุณบุตรเนี่ยมาบวช เ, เรียนนะเนะี่ย จะมีเนรสามเนรมาบวชภาษาลีบุตรนีมากภาษาลีบุตรมีพอใจที่จะอบรมสั่งสอนคนะุรระบุตรทั้งหลายเพราะว่าท่าน เ, นเป็นผู้เลิศนะนะ เ, ปเป็นผู้อักษาวกฝ่ายที่มีสติปัญญามากเพตอนะนั้นท่านก็พอใจที่จะอบรมสั่งสอนนะ ม, มีพระคุณต่อพระศ า, ส, าสนามากนะสุดท้ายท่านก็ต้องแตกดับสลายไปนะเราก็มาอนุสอนถึงท่านนะแล้วก็นะ ตอนที่ท่านมาจะมาปรินิพานที่นี่อ่ะท่านก็หวังจะมาโปรดโยแม่ของท่านด้วยเพราะโยแม่เนี่ยเป็นพรามนะไม่ไม่เคารพไม่นับถือพระพุทธศาสนานะก็พอมาถึงแล้วท่านก็ขอเข้าไปพักอยู่ในห้องที่ท่านเกิดน ะ, นะขอขอโยแม่ว่าเออเกิดในห้องนี้แล้วก็จะขอเข้าไปพักอยู่ในในห้องที่เกิดนั่นแล้วท่านก็นั่งสมาธิอยู่ในห้องนั้น พอกลางคืนมาก็มีเทวดามีแสงสว่างมาเนี่ยมาเคารพภาษารีบุตรแม่ก็เห็นนะแสงสว่างเกิดขึ้นก็ไปถามว่าเออลูกไอ้เนี่ยแสงสว่างที่เมื่อกี้มันคืออะไรารีบุตรก็ว่านันเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นมาเคารพมาฟังธรรมดึกๆมาอีกก็มีเทวดาชั้นต่อไปซึ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมาเคารพก็มาถามอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมีแสงสว่างสวยงามมากเจิดจ้าสว่างสวัยไปทั่วนะก็พอแสงนั้นมันหายไปก็เข้าไปถามว่าเออเมื่อกี้แสงอะไรอะ่ะภาษาลิบุตรตวานันพรหมนะพรหมทั้งหลายเข้ามาฟังธรรมมากราบมาไหว้ขอฟังธรรมเนี่ยมาถึงจุดนี้เนื่องจากว่าโยมแม่ของภาษาลิบุตรเนี่ยนับถือพรหมเพราะเขาศาสนาฮินดูเนี่ยเขาสอนว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ย จะต้องไปถึงจุดสูงสุดก็คือไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมนะพราะฉะนั้นพอได้ยินว่ า, าพระพรหมเนี่ยมากราบมาไหว้าภาษารีบุตรเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปกระแทกจิตของของโยมแม่ของท่านเนี่ยก็เลยอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้โหขน า, าพระพรหมซึ่งเราเคารพนับถือเนี่ยก็ยังมากราบมาไหว้ลูกของเราเนี่ยแสดงว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีความสําคัญต้องมีความยิ่งใหญ่มากเนี ก็เลยยมีความศรัทธาขึ้นมาและขอฟังธรรมเนี่ยพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็บรรลุพระโสดาบันเนี่ยบรรลุโสดันแล้วก็อุทานออกมาว่าโอ้ยพระ พ, พุทธศั์สนาดีอย่างนี้ทําไมลูกแบบไม่บอกแม่ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาบอกวันนี้อะไรอย่างเนี้นี่คือเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ม, มากมาย ทีนี้เราได้มาอยู่ในบริเวณนี้แล้วเราก็อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาเตือนสติปัญญาของเราพร ะ, ะเจ้าสอนให้เราจะพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของไม่สวยไม่งามหรือเป็นของน่าเบื่อนายทําให้จิตเราสลดสังเวชหรือว่าจะดูอยู่เฉยก็แล้วแต่ว่ามันมันมีความลึกซึ้งกับใจเราอย่างไรเรื่องอาหาร พิพุทธเจ้าสอนให้เหนี่มอนเป็นธาตุมันเป็นของปฏิกูลเป็นแค่สิ่งที่เรามาอาศัยเพื่อให้มีชีวิตอยู่เพื่อให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าทำคุณงามความดีทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันจะเลร่อขึ้นมันประเสริฐขึ้นมันสูงขึ้นเนี่ยเราอาศัยอาหารเราไม่ติดไม่ยึดไม่ไปลุ่มหลงไปเสพไปเอาอาหารมาบำรุงบาเลอชีวิตเราจนเกินไป หรือว่าให้เห็นว่าโลกของเราเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายไปทางไหนก็มีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องไร้สาระไร้แก่นสารเต็มไปด้วยความรุ่มความหลงเนี่ยเราต้องอให้เห็นว่าเออโลกมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆแล้วเราจะอยู่กับโลกยังไงทีจ่จะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยน้อมเข้ามาให้มันเป็นปัญญาเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าสังขารทั้งหลายเนียโหูมันเปลี่ยนแปลงไป สถานที่ที่เราอยู่นี่เคยรุย่งเรืองขนาดไหนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือมันไม่เที่ยงแล้วที่สําคัญผู้ย่อสอนนิว่าให้มีสติเข้ามาดูภายในกายเราภายในจิตเราแล้วให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่แรกก็เห็นความตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่หยาบๆยาบเปความคิด โอบางทีม kind of ันยังไม่ดับก็มีนะบางทีได้ตามดูนะได้ดุมไปก่อนดูไปดูไปไอไอไอเรานี่เป็นผู้ดูแต่ถ้ากําลังยังไม่พอเนี่ยมันยังมีมันยังเหมือนกับว่าอารมณ์กับไอผู้ดูเนี่ยมันมันยังกลมคืนกันอยู่ะมันยังคุกเคล้ากันอยู่มันยังถอยออกมาไม่ได้ผู้ดูไม่มีกําลังเนี่ยมันก็เป็นเราเนี่ยมันเป็นเรานี่แหละที่เราเป็นทุกเนี่ยหมายก็ว่ามันมาอารมณ์เนี่ยมันมาคุกเคล้ากับจิตเราเหมือนมันนัวเนียนัวเนีย เป็นอันเดียวกันคุกเขากันทำยังไงเราอยากจะสลัดออกไปเราอยากปล่อยออกวางไปมันก็วางไม่ได้เพราะกำลังสติกำลังปัญญาเราไม่มากพ อ, อคือการปฏิบัติของเราเนี่ยกำลังมันไม่พอหรือถ้าเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์มันยังไม่แก่กล้าคือใจเราเนั่นแหละมันมีพลังมันก็ละไม่ได้บางทีรู้นะโอ้โหอยากจะละเหลือเกิในอารมณ์ชนิดนี้ น, บบ น, น่าเบื่อหนาย มันทุกข์แล้วทุกข์อีกเนี่ยทำยังไงถึงจะเอามันออกได้เนี่ยนี่ก็ยังดีนะว่ารู้รู้แล้วว่ามันเป็นโทษรู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์อ่ะแต่ทีนี้ถ้าหาว่าเราอยากจะให้มันดับไปเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรนะก็เจริญสตินี่แหละนีให้ให้สติสัมปชัญญะของเราเนี่ยมันมีกําลังขึ้นมามีความเพียรทันว่ามีความเพียรแล้วก็มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้จิตเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปเนี่ย ถ้าจะคิดก็คือคิดให้มันจิตเรามีกําลังจิตเราเนี่ยปล่อยวางไออารมณ์ต่า ง, างๆที่มันจะมาจะทําให้เกิดอารมณ์เข้ามาคุกค่ากับจิตกับใจของเราเนี่ยพอใจของเรามันมันค่อยๆวางได้ใจเราค่อยๆดูลงไปได้พอจิตมีกําลังขึ้นมาเนี่ยจิตเนี่ยมันจะแยกจากอารมณ์ทันทีเลยนะแทนที่มันจะไปดูอารมณ์มันจะมาดูจิตเนี่ยเนี่ยเนี่คือคืออารมณ์มันจะขาดไปจากจิตอ่ะหมายว่าจิตมาเป็นจิตอ่ะอารมณ์มันก็เลยขาด ไปเองดับไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงสร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาสร้างสัมปชัญญะก็คือสร้างจิตให้เราของเราให้มีกําลังให้มีพลังให้จิตเป็นตัวของตัวเองให้จิตมีความเป็นอิสระถ้าหากว่าเรามีเรามีความเข้าใจเนี่ยความเข้าใจหลักของการปฏิบัติแล้วก็เอามาปฏิบัติก็คือต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละีพยายามมีสติเอาไว้เนี่ยให้จิตอยู่กับตัวเราสัก่อนอยู่กับตัวเราแล้ว ก็ให้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นมาไม่ต้องไปซ้ําเติมตัวเองไม่ต้องเป็นหลงกังวลใจกับมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สงบหรืออยากจะสงบไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นั่นได้นี่ไม่กลัวมันจะผิดไม่กลัวไม่ไม่ไปกังวลอะไรกับมันอะเออก็ทบทวนดูแล้วมันตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีสติรักษาใจไว้ให้มันอยู่กับปัจจุบันแค่นี้แหละทีนี้บางคนมันอยากได้ผลนะ เคยได้ยินได้ฟังว่าโอ้โหต้องได้นู่นได้นี่ต้องวางได้ต้องใจอต้องเป็นอุเบคขามีมักมีผลเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเราไปคาดคะเ น, นว่าเออเนี่ยถึงนั่นหรือยังเป็นอย่างนี้หรือยังไออย่างนี้มันก็เสียเวลาเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรักษาจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันได้ไม่สามารถที่ดูอยู่เฉยเฉได้ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ดูได้ในขณะนั้นจิตของเรามันมันมันหลงไป หลงไปคิดหลงไปนึกหลงไปปรุงแต่งเราตามไม่ทันอารมณ์อันนี้พออารมณ์อันนี้มันมีกําลังขึ้นมามันก็เลยรบกวนจิตใจของเราถ้าว่าเราเข้าใจนะทำสบายๆเราเป็นผู้สร้างเหตุออทําเหตอุอย่างเดียวพอแล้วผลเป็นยังไงไม่สนละเราจะคอยดูไปเรื่อยๆคอยดูไปเรื่อยๆเอาบางทีใจของเราเนี่ยพอระวางใจถูกนะมันก็สบายๆของมันเองอะ่ะแล้วมันก็ค่อยๆรู้ของมันเองอะ่ะ มันก็ค่อยๆละเอียดค่อยๆประณีตขึ้นมาเองจิตใจของเราอย่างอยังอย่างบางทีก่อนหน้าที่เราจะปฏิบัติเออมันมีเรื่องมีราวนึกนู่นคิดนี่แต่พอเราเริ่มสับรวมจิตใจเข้ามาเ อ, อใจเราเนี่ยสิ่งที่ปูงแต่งจิตมันก็ค่อยๆดับไปอะใจเรามันก็เข้ามาควบคุมจิตใจเราเหมือนกับสติเนี่ยมันควบคุมจิตใจเราได้ต่อมาก็เหมือนมันนิ่งเหมือนกับเบาเหมือนกับสบายขึ้นมาเนี่ย ต่อมามืนมีความสุขอยู่ภายในลึกๆอะ่ะเออมันสุขกว่าเดิม อ, ะอ่ะบางทีบางทีเนี่ยเราได้ข้าวของได้เงินได้ทองได้นู่นได้นี่นะพอมาเทียบกับความสุขที่มันก่อเกิดขึ้นในใจที่มันมีความสุขละเอียดประณีตลึกซึ้งอยู่ภายในลึกๆเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยน ะ, ะบางบางทีเนี่ยมันจะรู้สึกเลยนะว่าโอ้โหเหมือนกับความสุขในโลกเนี่ยไ อ, อที่เราได้อะไรต่ออะไรในโลกเนี่ย มาเทียบกับไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่มันมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องได้อะไรเนี่ยมันมีความปานีมีความลึกซึ้งมากกว่ากันมันก็ทําให้เราเนี่ยวางไอ้ไอ้สิ่งภายนอกสิ่งเราเคยลุ่มหลงว่าโอ้ได้นู่นได้นี่แล้วมีความสุขทํานั่นทํานี่ถึงจะมีความสุขเนี่ยทำให้เราเข้าใจแล้วมันก็วางท่าทีได้ถูกต้องพอเราสํารวมเข้ามาที่จิตคิตใจของเราเนี่ยพอมีความสุขเกิดขึ้นมีความปานีขึ้น จิตของเราก็ไม่อยากไปไหนมันก็เป็นหนึ่งแนวอยู่ภายในอ่ะเนี่ยมันก็ยิงมีความลึกซึ้งเนี่ยท่านถึงว่ามันเป็นเอกคตารมหรือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอ่าบางทีท่านก็เรียกว่าเรียกเป็นสมาธิเรียกความสงบเรียกฌานอ่าเรียกคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิอันนั้นมันก็เป็นบัญญตนนัติอันที่มาเรียกสภาวะภายในจิตของเรานี่แหละไม่ว่ามันเป็นมันเป็นสภาวะของจิตเราที่ปฏิบัติเนี่ย มันจะมีชื่อเป็นอะไรเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเราสติของเราเนี่ยควบคุมจิตใจของเราได้เนี่ยบางคนก็พอมันสงบลงไปนมันก็ดูดูลมก็มีมันก็อยู่กับลมอยู่กับลมไปเวทนามาดูเวทนาแล้วก็มาดูจิตเนี่ยจิตนิ่งจิตเฉยจิตไม่ยินดีไม่ยิน้ายจิตเป็นปกติเนี่ยจิตมีความ โล่งตรงเบาสบายจิตมีความสบายจิตมีความสุขเนี่ยพวกนี้พอเราดูไปดูมาเนี่ยเราเป็นผู้ดูเราไม่ได้ไปยึดมันเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่เราอะ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในนั้นแหละมันก็ดูอยู่นั่นแหละไม่ว่ากายหรือจิตอะ่ะมันแสดงความเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันไม่ได้มั่นคงเที่ยงแค่ทาวนนี่เรียกเรียกว่ามันเริ่มที่จะดู ดูให้มีปัญญาแล้วเริ่มที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยเข้ามารู้ความจริงละไม่เป็นหลงไม่เป็นหลงอยากให้มันเป็นไปอย่างนั้นอยากให้เป็นไปอย่างนี้ตามความอยากความต้องการของเราพอเราดูอย่างนี้ได้วางใจได้ถูกเนี่ยความทุกข์จะน้อยลงทันทีเบาลงทันทีเลยพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันจะรู้เลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากความอยากของเราความต้องการของเราหรือความหลงของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ เราไม่สามารถวางใจให้เป็นกลางได้เพราะะฉนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นผลมันเกิดขึ้นกับเรามันทําให้เรามีศรัทธาอย่างมีเหตุผลศรัทธาที่มีเหตุผลรองรับศรัทธาที่มีผลที่เกิดจากการปฏิบัติรองรับเนี่ยมันเป็นศรัทธาที่ลึกซึ้งมีความศรัทธาที่มั่นคงมากไม่ใช่ศรัทธาแบบเลื่อนลอยอย่างอย่าง อย่างบางทีมีคนศรัทธาเหมือนกันศรัทธาพระพุทธศาสนาก็ศรัทธาการปรสัสรูของพระพุทธเจ้าแต่หวังพึ่งไปอีกแบบหนึ่งมันมันเหมือนกับมันไม่ตรงทางทีนี้ถ้าหาว่าเราเข้ามาให้มันตรงเส่ยก็คือว่าเอามาประพฤติธปฏิบัติแล้วก็เกิดผลขึ้นกับจิตกับใจของเราจิตใจของเรามันรู้ความจริงมากขึ้นเราเข้าใจใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเรารู้ว่าอ๋อ สิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งเหล่านี้มันจะค่อยๆสอนเราค่อยๆสอนเรากลายเป็นปัญญาปัญญาตัวนี้มันจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นทีนี้พอแก่กล้าขึ้นเนี่ยไอความเกิดดับมันจะเร็วขึ้นทีขึ้นนะเขานี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นประตูพระนิพพานเลยนะไม่ว่าจิตของเรามันจะส่งไปทางไหนนะสภาวะอันเนี้ย มันจะแสดงตัวออกมาเลยนะบอกให้รู้เลยว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเด็ดขาดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปคือมันขีจนกระทั่งจนกระทั่งมันยึดไม่ได้เลยอะ่ะอันนี้มันจะเป็นเกิดจากการปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติถึงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบททัติทำเนี่ยมันจึงไม่สงสัยถ้าหาว่าติดไปถึงพอพูดถึงปั๊บเนี่ยคนที่ถึงก็จะรู้ทันทีเลย แต่ถ้าหากว่ามันยังไ อ, อปัญญาเราเนี่ยอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าเนี่ยความเกิดดับก็ยังห่างอยู่อ่าบางทีความคิดเกิดความคิดก็ดับบางทีอารมณ์ผ่านมาอ่าบางทีมันก็แค่อยู่หน่อยอ่เราดูไปมันก็ดับไปเวทนามาบางทีก็ได้ดูไปก่อนดูไปแล้วมันก็ปล่อยวางแล้ก็ถอยออกมาเป็นอิสระมันมาดูอยู่เฉยเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เห็นห่างๆไปอ่าเห็นห ย, ยาบๆไปก่อน แต่ถ้าหาว่าอีซีมันแก่กล้ามองไปทางไหนไม่ได้เลยจิตเนี่ยมันจะมองไปที่กายมองไปที่อะไรผ่านเข้ามานี่ตัวนั้นเกิดดับหมดเลยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราภายในจิตมันรู้ภายในจิตเลยแม้แต่ตัวจิตเองเนี่ยมันขยับตัวยังไงก็คือมีแต่ความเกิดดับไม่ว่ารูปหรือนามเหมือนกับว่าประกาศความจริงชัดแจ้งอยู่ในจิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และต้องดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเด็ดขาด จิตยิงยึถืออะไรไม่ได้อีกต่อไปนี่แหละที่ปัญญายามที่พระพุเทธเจ้าต้องการให้สาวกของพระองค์เนี่ยปฏิบัติแล้วยั่งเข้าไปให้ถึงเมื่อถึงแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางสภาพธรรมให้อยู่ตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นในจิตในใจนะเมื่อมันได้ที่ก็สามารถบรรลุมรรคโซดาบันปฏิมรรคโดาบันปฏิผลแล้วก็ปฏิบัติต่อไปอีกสกิทาคามมีมรรคสกิทาคามมีผล อนาคามีมรรคอนณาคารมีผลจงกระทั่งเป็นอรหัตมรรคอรหัตผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทางนั้นไม่ได้เกิดในที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการมาที่อินเดียแล้วก็มาเพื่อที่จะอาศัยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเรา เพื่ออ่านอุสอนถึงพระพุทธเจ้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เมื่อเราเข้าใจแล้วยิ่งเรามีกําลังใจเรามีความตั้งใจมีความหนักหนักแน่นมั่นคงจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ถือว่าการมาของเราเนี้ยคุ้มค่าแล้วการมาของเราเนี่ย เรียกว่าบารรลุเป้าหมายหรือว่ามีประโยชน์เต็มที่มีประโยชน์สมควรแก่การมาของเราแล้วเราก็แสดงออกถึงความมีปัญญาเพราะคนมีปัญญาจะต้องอยั่งเข้าไปถึงพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งขนาดไหนเราก็ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์อยากให้เราเนี่ยทำอะไรคําสอนที่พระองค์ประทานเอาไว้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยผู้เป็นสาวกเนี่ย ทำยังไงกับคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติให้ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดอย่างอื่นถึงจะทำไปก็ตามก็ตก้องทำเพื่อให้มีเป้าหมายให้ตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้มากให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้แหละเราได้ประโยชน์เต็มที่กับการมาที่ยังสถานที่เรียกว่า สังเวียขนขิยสถานแล้วก็สถานที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพุทธาศาสนาเอาช่วงนี้จะให้เราสำรวมจิตใจโดยไม่ต้องมีเสียงอื่นนะให้เราเป็นตัวของตัวเองนะ สติดตามดูกายถ้าว่าเวทนาตามดูเวทนาในะติดตามดูเวทนาแต่บางทีกายก็รู้เวทนาก็รู้แต่มันมาอยู่ที่จิตอันนี้เดียวว่ามันจิตมันตั้งมั่นละมันเข้ามาดูจิตแต่ถ้ามันตามดูจิตเฉยๆเฉยนจิตเกิดดับแต่ว่าอย่างอื่นมันไม่สนใจมันสนใจจิตอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูจิตถ้าว่าเออเห็นว่ามันก็เกิดดับเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เนเลยตามดูทำแต่ว่ารู้ทั่วทุกอย่างเนทุกอย่างกายก็รู้อยู่ยังไงก็รู้ลมก็รู้เวทนาก็รู้จิตก็รู้แล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าปัญญาญาณก่อเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันก็สะสมปัญญาอันนี้แหละถ้าสติ้าอินทรีมันแจ้งกล้าอินรีย์มันมีกําลังเนี่ยมันก็จะวางทุกอย่างเหมือนกับลงเป็นธรรมชาติเลย ความรู้สึกว่าเป็นเราจะไม่มีในขนาดนั้นผู้รู้ก็รู้อยู่เฉยๆสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะีก็เลยไม่มีรูปไม่มีนามเนะีไม่มีกายไม่มีจิตอ่นะเพราะมันเข้าสู่ธรรมชาตินะเป็นศัตว์แต่ว่าบางทีมันก็เกิดขึ้นได้ถึงมันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีหน้าที่ตามเหุเรามีหน้าที่ดูว่าเออปัจจุบันขณะนี้จิตเรา เป็นแบบนี้หรือว่าจิตของเรากำลังสงบกำลังดูมีความลึกซึ้งอยู่ภายในก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันคือมันก็อย่างน้อยจิตเนี่ยของเรานี่ก็อยู่กับตัวเราอ่ะมันจะอยู่ในสภาพไหนก็เป็นสมบัติของเราเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน ขอให้ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่กับตัวเราได้มากขึ้นหรือมันอยู่กับปัจจุบันได้แล้วก็ใช้ได้แต่ทีนี้ไม่ว่าเราไปที่ไหนเราปฏิบัติทำแล้วเราก็อาศัยอาศัยสถานที่อาศัยเหตุการณ์ที่มันมีความสาคัญสถานที่มีความสาคัญได้อันนี้อานุสรึงคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้อนุสร์ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอานุสร์ถึงปัสสาวกาผู้ผู้ที่มีความสามารถรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็อนุสร์เข้ามาแล้วก็ให้เป็นกําลังใจของเราให้เกิดพลังใจที่เราจะพัฒนาตัวเราเองให้มีจิตใจที่มีความสะอาดขึ้นมีความบริสุทธิ์ขึ้น มีความดีความงามมากขึ้นมีความงดงามมีความประเสริฐมีความสูงส่งขึ้นและก็ทําทประโยชน์แต่พระาศาสนาทําประโยชน์ให้แก่โลกเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าหรืออาคาสาวกของพระพุทธเจ้ามหาสาวกหรือสาวกข้างหลายของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท่านบําเพ็ญมาและก็ทําให้สิ่งที่ท่านได้บรรลุสิ่งที่ท่านได้เข้าถึงแล้วเนี่ยเกิดคุณเกิดประโยชน์ แก่จิตใจของชาวโลกต่อไปถ้าหากว่าเรามีปณิธานที่แรงกล้ามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นพร้อมที่จะทําละสิ่งที่มันลบลุงลังภายในจิตใจของเราสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่งามมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันทําให้จิตใจของเราอ่อนแอมันทําให้จิตใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเราอาศัยน่ะมายังสถานที่เหล่านี้แล้ว เราก็สามารถที่จะประหัตปหารนั่นออกไปได้สามารถสลับมันทิ้งไปได้ก็จะเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเรานอกจากนี้เรายังตั้งปณิธานให้เข้มแข็งให้แก้วกล้าเหมือนที่ท่านทํามาในอดีตนั่นแหละแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์ก็มีความมุ่งมั่นมีความมีพลังใจที่แน่วแน่ที่จะสร้างกาลังใจของตัวเองให้ดีขึ้นมาให้จิตใจดีงามขึ้นมาําระจิตใจ ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆจนสะอาดจนบริสุทธิ์้เนี่ยเราก็อาศัยนะสิ่งแวดล้อมนะที่เรามานี่แหละช่วยเสริมกําลังใจของเราให้แข็งแข็งขึ้นให้เท่นแข็งขึ้นให้มั่นคงขึ้นแล้ก็จะประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราการมาของเราก็มีประโยชน์มีคุณค่าต่อจิตใจแากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญตั้งใจอุทิศบุญสำรวนจิตใจให้แนวเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญ อำนา จ, จ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์จงโดนบรนดาลบุญของขาาา้งาพเจ้าทางกระอาดีจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติทวดาที่รักษาลนานเรนของขาาา้าพเจ้าญาติโวดาที่รักษาและนานเรนของพอ่อของแม่ของลูกของสามีข อ, าของพันยาของพี่ของน้องและก็ให้กับเดวงวิญญาณทั้งหลายที่กาลังต้องการบุญอยู่ในขณะนี้ให้ ทุกชั้นทุกภูมิในรยินดีรับอาบุญนี้ได้เถิดเมื่อรับอาบุญแล้วต้การสิ่งใดก่อนสมความปรารถนาด้วยอานาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้ า, าได้ในที่ทแห่งนี้เมือ่อสมความปรารถนาแล้วก็ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเพื่อไม่เกิดหมุนข้าพเจ้ า, าทำสิ่งใดก็ให้มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญุ่เดี๋ยให้ยืดยืดไปได้เถอข้าพเจ้ า, าจะมันทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้ไม่ื่อไป มีกระเป๋าเป